วันนี้เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราวันหนึ่งออกพรรษามาเดือนสิบเอ็ดเพวันนี้เป็นแรมแปดข้าเดือนสิบเอ็ดปีสี่สิบแปดออกพรรษามาเป็นช่วงวัดพระหนึ่งเป็นวันปฏิบัติธรรม มันนี้รู้สึกญาติโยม ร, รักษาศีลอุโบสถเบาบางออกพรรษาก็ออกไปด้วยแต่ตามจริงออกพรรษาเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายมันไม่ออกไปด้วยน ะ, ะมันยังค้องคอเราอยู่ตลอดเวลาเพระนั้นถึงจะออกพรรษาไม่ออกพรรษา เราก็ควรจะจำเหนียกจำนึกไว้อยู่เสมอนั่นแหละว่ามราณงเมภาวิสติเราจะต้องตายอีกสักวันหนึ่งแน่นอนเพราะนั้นทางว่าเราคิดได้อย่อยางนี้ถึงเราอยู่ในสถานที่แห่งใดถึงจะไม่ได้มารักษาศีลก็พยายามประกอบคุณงามความดีอยู่ในบ้านตัวเองก็ได้ แต่โดยมากมันจะไม่ได้คิดอย่างนั้นพอไม่ได้มาวัดก็มันก็ห่างเหินไปเรื่อยๆแต่ตามจริงก็ไม่น่าจะห่างเหินเพราะว่าชีวิตของพวกเราทันทั้งหลายถ้าเป็นเด็กน้อยหนุ่มก็ยังเกิดความประมาทก็ยังพอทาเนาแต่ทางว่าผู้สูงอายุแล้วเรายังปล่อยปากละเลยอยู่แสดงว่าตังอยู่ในความประมาท ตั้งอยู่ในความประมาทตั้งอยู่ในความไม่เตรียมพร้อมถ้าผู้เตรียมพร้อมแล้วก็อยู่ณสถานทิณใดที่ใดก็พร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยดูตัวเองไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยใหทานรักษาศีลไปเรื่อย อันนี้แปลว่าผู้ไม่ประมาทแต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทจะมากกว่าเพราะเหตุไรพพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเพราะกิเลสกิเลสภายในใจของเราชอบไปในทางที่สะดวกสบายสะดวกสบายแบบกิเลส อยากจะพักอยากจะนอนอยากจะทานอาหารอยากจะเที่ยวอยากจะร้องเพลงอยากจะดูหนังฟังรำอยากจะอยู่กับลูกกับหลานนานๆอยู่กับลูกกับหลานได้ฟังเสียงร้องรำทำเพลงกินเลี้ยงตลกเฮฮาไปลักษณะอย่างนั้นกิเลสมันชอบไปอย่างนั้นถ้าว่าเข้ามาสู่หลักธรรมะเนี่ยมันกับเหมือนกับเข็น ก่อนห็นขึ้นบนภูเขาอย่างนั้นอ่ะมันขึ้นมายากแต่ถ้าเอาไปอย่างนั้นแปลว่ากลิ่งลงภูเขามันกลิ่งได้ง่ายแต่ถ้าบันติดนักปราชญ์บันติดนักปราชญ์คือพระพุทธทเจ้าตามแนวทามคําส่อนของท่านท่านว่ากลิ่งลงภูเขาอย่างนั้นแต่ว่าเป็นผู้ประมาท แต่ถ้าว่าสั่งสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเป็นผู้เตรียมพร้อมและเลือกถึงคุณงามความดีการสังสมคุณงามความดีให้ทานรักษาสินภาวนาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติศินสมาธิปัญญาพร้อมอยู่เสมออันนั้นเป็นบอผู้ไม่ประมาทแต่พวกเรา โดยมากมันเป็นอย่างนั้นมันประมาทจะมากกว่าพอไปทํามาหนึ่งก็หมัวปล่อยวางอันหนึ่งไม่ว่าคราวาดญยายมส่วนพระสงฆ์พวกเราก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันพอไปทำหน้าที่การงานทําอะไรออกไปนั่นแหละทีนี้ก็คิดปุ่งฟงสารไปกับสิ่งเหล่านั้นผลลัพธ์สุดไม่คิดออกนอกไม่ได้คิดเข้ามาดูตัวของเรา ว่าตัวของเราเป็นยังไงขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ใจของเราอยู่กับตัวเองไหมสติของเรามีไหมเราได้พิจารณาถึงความเกิดแก่เจ็บตายของเราอยู่ไหมเรารู้จักปล่อยวางในจิตใจของเราบ้างไหมอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทัน้งหลายถึงจะทำงานทำการยังไงก็เถอะก็อย่าลืม สินสมาธิปัญญาของตนเองจะลืมมักคาที่จะเดินไปสู่มักผลนผิพพานคือมักแปดสินสมาธิปัญญาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาความแก่ความเก็บความตายของตนเองเพราะสิ่งเหล่านี้มันแขวนอยู่ในต ล, ตลอดเวลาอย่างความแก่อย่างนี้ ถึงเราจะมองเห็นหรือไม่เห็นถึงเราจะคิดหรือไม่คิดก็ตามความแก่มันจะไหลไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆปีนี้ปีที่แล้วปีนี้แก่กว่าปีที่แล้วปีหน้าแก่กว่าปีนี้แก่ลากไถไปเรื่อยๆลากไปเรื่อยแก่ไปเรื่อยๆผลที่สุดไปถึงหน้าเหวแลยกั น, นั่นแหละเก่งลงเหวแล้วกัน ไปว่าตกเหวไปว่าตายไปแล้วชีวิตของพวกเรามันเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเราจะสนุกสนานเพลิดเพลินรื่น เ, นเริงเฮฮากันมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นพารื่นเริงพาเฮฮาพาสนุกสนานแต่ธรรมชาติอันนั้นไม่ได้รื่นเริงเฮฮาสนุกสนานกับเราเลยแก่ลากไขไปเลย ถึงเราจะนอนจะหลับจะตื่นยังไงก็ตามเมื่ก่าแก่ไปเรื่อยความเจ็บนั่นก็รอเราอยู่เวทนาเจ็บปวดแต่ตามไม่จริงเวทนามันเจ็บจริงๆเราจรึงว่าเวทนาแต่ตามไม่จริงเวทนานี่คือหายใจเข้าหายใจออกก็คือเวทนาแล้วความรู้สึกในกายการเคลื่อนไหวของกายการหายใจเข้าหายใจออกก็คือเวทนาแล้ว อันนี้คือเวทนามันมีอยู่ตลอดอยู่ในกายของเราเนี่ยเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ตามอันนี้ก็คือเวทนาอยู่ในกายตัยวความเจ็บถ้ากั้นลมหายใจสะปิดลมหายใจสันเนี่ยรู้สึกทันทีแหละไม่ใช่เจ็บแรามันเกินเจ็บพ่างั้นตายเลยไปถึงตายเลยว่างั้น เพราะนนเกิดแก่เจ็บตายตายไปว่าสิ่งที่สิ้นสุดอย่างที่พูดมือเช้าคนตายก็เหมือนกับคนเดินตัวเปล่าออกจากบ้านเรือนออกจากประเทศชาติไปตามลําพังไม่มีอะไรติดไม้ติดมือไปเลยไปตามลําพังต้าจะว่าไปร่างกายก็เทงหมดว่านั้นไปแต่จิตใจลูกเดียว มีตะบุญกับบาปเท่านั้นที่เราได้สั่งสมบุญกุศลกับบุญกุศลติดในจิตในใจไปถ้าเราทำบาปอากุศลบาปอากุศลกับคลองจิตคลองใจไปพอถึงจุดนั้นแล้วไม่มีที่พึ่งอย่างอื่นนอกจากพึ่งบุญตัวเองพึ่งบุ ญ, พ, บญพึ่งบาปบาปพบ เราก็ไม่อยากจะพึ่งแล้วมันบาปมันชั่วแล้วจะไปพึ่งมันทําไมมันเบื่อพึ่งมันเลยพาลากไปทางต่ําเรามีแต่พึ่งบุญนะอย่างอัตหิอัตโนนาโถนะตนแลเป็นที่พึ่งของตนนะเพราะฉะนั้นพวกเราทัานทั้งหลายต้องคิดไว้อยู่เสมอนะในสิ่งเราเนี่ยถ้าคิดเรืองเหล่านี้ทบทวนไว้อยู่เสมอเลยเป็นผู้ไม่ประมาทถึงจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอเอาท์ไม่ถึงร้อปีนะ ต่างคนต่างไปแล้วเราขาดหรือขาดตกอะไรเราควรพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวของเราให้ดีในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สิ่งอื่นอื่นก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละโลกทั้งโลกมันเป็นมาอยู่อย่างเนี้ยไม่รัดแต่พ่อแม่ปู้า่าตา ย, ยายกันเนี่ยเอมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเรื่องยูเรื่อกินเรื่อ ง, อ, งอะไรต่อเรื่องอะไรมันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดคนมันเป็นอยู่อย่างนี้ เพราะนั้นเราจะไปยุ่งหรือมุดวายเ้านะมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันเราขาดตกบกพร่องอะไรพยายามมองตัวเองอยู่เสมอถ้ามองตัวเองอยู่เสมอแล้วเรื่องทางหลายทางพวงเนี่ยมันเบาไปหมดมีก็ได้ไม่มีก็ได้จะทำยังไงมันไม่มีก็อยู่แบบไม่มีถ้ามันมีมากเลยเอามีใช่ไปตามมี ข้อสำคัญสิ่งที่ไม่ให้ขาดตกบกพ้อง ก, ก็คือเรื่องภาวนาในจิตใจตัวนั้นะเป็นเรื่องใหญ่ในจุดสําคัญของเราจุดมุ่งหมายของเราจุดต้องการของเราจะทํำยังไงทางเดินของเราให้สั้นลงวัฏต ะ, ะให้สั้นลงเดินเข้าไปให้ถือสู่มรรคผลผนิพพานให้ใกล้เข้าแต่อย่างอื่นเราจะไปสนใจ สนใจจุดนี้จะทำยังไงเราจะเดินจนระยะทางของเราให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้ง่ายอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายควรจะคิดจุดนั้นให้มองจุดนั้นอย่าไปมองจุดอื่นจุดอื่นนั้นไม่มีที่สิ้นสุดถึงยังไงยังไงมันก็จะต้องเสมอกันหมดทิ้งทั้งหมดในโลก มากมีดีจนอะไรก็ตามทิ้งไว้หมดไม่มีใครที่จะเอาล่างกระดูกตัวเองไปได้ปล่อยวางทั้งหมดเพราะนั้นพวกเราทุกคนนะทุกท่านนะตั้งใจภาวนาสรุปแล้วให้ภาวนาใครเอากรรมฐานไหนเป็นหลักหยุดอะไรเป็นหลักมรณะนุษติเป็นหลักและเลึกถึงความตายตาย หายใจเข้าตายหายใจออกตายหายใจเข้าตายหายใจออกตายโมกิรมถึงความตายก็ได้ยังว่ามรนังมรนะนังมรนะนมนุสติเห็นความตายตัวเองถ้าคนเห็นความตายตัวเองอยู่ตลอดจะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เตรียมพร้อมเราจะเอาอะไรไปด้วยได้นอกจากบุญกุศลนอกจากบุญกับบา ส่นอืนเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกนี้หมดถึงจะรักแสนรักห่วงแสนห่วงแหนแสนแหนเกลียดแสนเกลียดโกรธแสนโกรธก็ไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเราจะปรับปรุงแค่ไขทําใจยังไงจึงจะให้กับเข้าสิ่งเหล่านั้นมาให้มันมากระทบกระเทือนในจิตใจของเรานี่แหละอันนี้ต้องดูใจเช่ไ ดูใจจะดูอย่างไงพยายามทำจิตให้สงบสงบด้วยวิธีอย่างไรมีหลายวิธีพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง4ี่สบอย่าง40สประการสำหรับให้พวกเราเดินมักนำมักบริกรรมนำมาประพฤติปฏิบัติแต่ถึงยังไงก็ตามทั้ง4ี่สิบอย่างนั้น คือมุ่งหวังก็คืออยากจะให้จิตของเราเป็นหนึ่งจิตสงบจิตเป็นหนึ่งจิตไม่สายแสจิตไม่หิวโหวยจิตไม่ว้าเวจิตใจให้อยู่กับตัวเองให้มีสติสมบูรณ์อยู่กับตัวเองขณะนี้เดี๋ยวนี้เราคิดเรื่องอะไรอยู่ อันนี้คือจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้าจุดประสงค์ของพระแม่กูบายจารย์ที่ท่านอบรมกรรมฐานเดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้เวลานี้ปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมอันนี้เรามีอันนี้แหละคือคุณค่าที่สุดมีคุณค่าที่สุดถ้าคิดไปถึงอดีตไปคิดไปถึงอนาคต น, นั้นแปลว่าไร้ค่าไร้ประโยชน์ใช่แล้วแต่ให คิดที่มีคุณค่าก็คือจิตอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนธรรมกํานกหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพทุพโทพโธพุทโธพุทโธนี่แหละเรียกว่าตายตายเรียกว่าเกิดดับเกิดดับหรืออนิจจังอนิจจังอะไรทุกขังทุกขังอะไรอนัตตาอนัตตาก็เลยสุดแท้แต่เราจะบริกรรมอันไหนกรรมาฐานได้ทั้งนั้นแหะสรุปแล้วก็คือจะทํำยังไงจิตของเราจะเป็นอย่าง จิตของเราจะเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งได้และเมื่อจิตสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานจิตไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆจิตสงบเป็นพื้นฐานแล้วจากนั้นก็นํามาพิจารณาให้พิจารณาทํามันไม่ยอมออกบังคับให้พิจารณาอถ้ามันออกดีเอาออกไปกําหนดพิจารณาพราะรู้แล้วว่าการพักพรนนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร การพิจารณาจะเกิดประโยชน์แต่การพักผ่อนนั่นก็คือการกินทานอาหารแลวก็พักผ่อนนอนมันก็มีประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ว่าจะให้มันมีคุณค่ามีราคามียศฐานบรรดาศักดิ์มีลาบมียศขึ้นมานึ่งไม่ได้แต่ว่าจะไปปราจากในการหลับนอนไม่ได้การหลับนอนก็จาเป็น คนเราถึงจะทําการทํางานถึงจะมียศขั้นไหนก็เถอะถ้าไม่นอนก็ไม่ไหวเหมือนกันตายแต่ถ้าว่าเราจะนอนอยู่อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําการทํางานยศฐานบรรดาศักดิ์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันก็เกิดขึ้นมาไม่ได้เพรามีแต่คนนอนหยุดหลับหูหลับตานอนเยู่อย่าง น, นะอะไรจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างเนี่ยทั้งพักผ่อนด้วย ทั้งเสาะแสวงหาลาบยศจันรเสริญสุขด้วยมันเป็นหน้าที่ของเราต่างกรรมต่างวารรที่เวลาพักผ่อนก็พักผ่อนเวลาออกหาทำงานก็ต้องทำงานนี่แหละให้รู้จักแยกแยะให้รู้จักแบ่งเวลาให้ตัวเองแต่ตามไม่จริงเราจะทานั่งสมาธิจนจิตสงบระดับไหนจึงจะพิจรารณาอันนี้ก็ ท่านก็ไม่ได้บอกเอาไว้แต่ว่าเราภาวนาวันนี้ใจของเรามันปุ่งฟุ้งซ่านมันเข้าสมาธิไม่ได้มันมีนะอย่างนั้นนะเล่าความบังคับให้พิจารณาเลยพิจารณาให้เขาเอาเสอติบังคับให้มันคิดให้มันคิดปุ่งฟุ้งไปตามร่างกายอย่าให้มันออกนอกร่างกายของเราจะพิจารณากายก็ได้เวทนาก็ได้จิตก็ได้ธรรมก็ได้ พิรณากายพิจารณาอย่างไงพิรณาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจเนื้อหนังอย่างที่พวกเราสาธยายเมื่อกี้หนักการสามสิบสองตั้งแต่อหนังโดยรอกเกศาลมานาขาทันตาตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกไล่ไปเรื่อยแต่เราจะพิจารณาอะไรก็ได้เราไม่ได้ไล่อย่างนั้น ก si ับดูดวงตาของเรามันอยู่ในลักษณะไหนหูของเราอยู่ลักษณะไหนฟันของเราอยู่ในลักษณะไหนกระดูกแต่ละชิ้นของเราอยู่ในลักษณะไหนตับอยู่ในลักษณะไหนดีอยู่ในลักษณะไหนปอดอยู่ในลักษณะไหนลำไส้อยู่ในลักษณะไหนสิ่งเหล่านี้การวัดพิจารณากายให้อยู่ในกาย กำหนดไปอยู่ในกายเบื้งสูงเบืองต่ําไล่ลงไปขยับขึ้นมาดูหรือเราจะไล่กระดูกของเราก็ได้แต่บางท่านบางคนเอ๊ะจะไปเห็นกระดูกได้ยังไงหลวงพ่อเคยแนะนําว่าควรจะเอาแผ่นกระดาษหรือว่าเราไปในสถานที่ใดวัดใดที่มีเห็นโครงล่างกระดูกเราก็ไปยืนกําหนดดูดูล่างกระดูก แล้วก็ น, น้อมเข้ามาหาตัวเองเวลาเรานั่งภาวนาเราก็ดึกถึงโครงกระดูกนะ่ะว่าเรามีโครงกระดูกอย่งนั้นจริงไหมหรือว่าเราเห็นแผนกระดาษที่เขาถ่ายโครงกระดูกอย่างเนี้ยเราก็นํามาพิจารณาหรือเราเห็นฟิลม์มเอ็กซเรย์ของเราอย่างนี้โดยมากพอเห็นฟิลม์มเอ็กซเรย์ของเราเราก็ไม่คิดว่าเป็นกระดูกของเราอีกต่างหาก เห็นโยเห็ น, หนแบบผิวเผินแต่ตามจริงเป็นกระดูกของเราชัดเจน น, น่ะนี่โครงกระดูกนะในฟิล์มเอกซเรย์นั้นกระโหลกศีรษะบ้างกระดูกทุกส่วนของร่างกายที่เขาถ่ายออกมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เป็นอย่างอื่นในร่างกายของเราอันนี้โครงล่างของร่างกายพิจารณากายเมื่อพิจารณากายเห็นตามความเป็นจริงแล้วรู้ด้วยสติ รู้ด้วยปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงมันเป็นลักษณะอย่างนั้นมันไม่เบื่อมากมันก็ต้องเบื่อน้อยมันไม่คลายมากมันต้องคลายน้อยไม่มันทํามันไม่เออมันต้องคลายจากความหลงไหลมัวเมากับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับกายของเราเพราะร่างกายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นตามความเป็นจริง แต่เราปฏิบัติตามปฏิบัติไปไปให้มันขาดตกปลกพ่องไปเหมือนกับเราอยู่กับเด็กน้อยอย่างนี้แหละหรือก็อยู่กับสัตว์สาลายสิงอย่างนี้เราก็ปฏิบัติให้มันถูกต้องเมื่อเราอยู่กับเด็กเราก็ควรทำอย่างไงในเมื่อเราอยู่กับหมาสัตว์สาลายสิงก็เราควรทําตัวอย่างไรในเมื่อเราอยู่กับร่างกายของเราเราก็รู้เรื่องของร่างกายของเราเหมือนกับเราอยู่กับเด็กอย่างนั้น ร่างกายมันชอบมันกินข้าวมันหิวอาพามันไปกินใจของเราก็รู้อยู่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนก็เถอะกายนี่จะต้องเป็นคนอื่นอยู่เสมอแตกสลายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นอันนี้การพิจารนากายให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายเป็นอย่างนี้อันนี้กายเวทนากำหนดดูเวทนาอย่างที่พูดเวทนาก็คือลมหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นเวทนาแล้ว การเจ็บปวดใ น, ในร่างกายทุกส่วนเรานั่งอยู่ที่ไหนพิกไปพิกมานั่นแหละคือเวทนาเวทนาภายนอกคือร่างกายได้รับความทุกข์ลำบากส่วนเวทนาภายในใจของเราถ้าหากว่าได้ถูกเขาติฉินนินทาความพอใจพอมไม่พอใจ อันนี้ผิวเป็นเวทนาทางจิตนี่ค่าวเวทนามันเกิดกับใจของเราอันนี้เปรียบเวทนาทางใจเพลวนาเวลาเวทนาทางกายนี่ครับมันก็เหลือทนเหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เวลาเพีวเวทนาทางจิตนี่อีกอย่างหนึ่งอีกอคนบางคนทนไม่ได้เหมือนกันเวทนาทางทางใจอย่างกายเวทนาจิต จิตคือความนึกคิดความปรุงแต่งเราคิดอะไรเรื่องอะไรขณะนี้คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเกลียดเรื่องช่างเรื่องอะไรกี่ปาร์ทะร้อยแปดอยู่ในใจของเราน่ยมันล้ายคนลิงอีกเหมืนั้นแต่ลิงว่าลูกหลิดกูหลุกนะยังสู้เซี่ยวหนึ่งของจิตของเราไม่ได้ ถ้าเราเอาสติเข้าไปจับแล้วเราจะเห็นตัวใจของเราหรืจริตของเราเนใจของเราเนผู้รู้ของเราเนี่ยยิ่งกว่าลิงอีกมันลุกหลีกยิ่งกว่าลิงแต่ถ้าว่าเราไม่ได้สนใจก็อย่างว่ามันไปนะครับตามหลังมันไปเรื่อยๆตัวมากสติของเราไม่ไม่ทันมันเหมือนกันแต่มันไปกินที่ไหนแล้วก็ไม่รู้มันหลุกห ล, ลีกยังไงก็ไม่รู้เพราะนั้นจิตตาลูกปัจฉนาสติปัฏฐานเนะี่ยต้องใช้สติกําหนด ให้ชัดเจนจึงจะรู้จึงจะเห็นวิธีทางเดินของจิตมันเดินยังไงเพ่าะทำมานุปัจจาสติปัฏฐานทำมารมที่เกิดกับใจเป็นส่วนดีเรียกกุศลเป็นส่วนชั่วเรียกอกุศลที่มันเกิดกับจิตสรุปแรกก็คือใจของเราเนี่ยมันมีดีมีชั่วมีดีมีชั่วมีสุขมีทุกข์มีสุขมีทุกข์อยู่ในนั้นอยู่ในใจมีดีมีชั่วอย่นั้นมันคิดอยู่นั้น อันนี้ว่าทำ ม, มานุก ป, ปัจจณาสติปัฏฐานอันนี้เราพิจารณาทั้งสี่อย่างการพิจารณาทั้งทำสิติปัฏฐานสีนี่ยเราจะเรียงลําดับมาใช่ไหมไกายจะก่อนเวทนาจะก่อนจิตแล้วก็ทำใช่ไหมไม่ใช่อย่างนั้นจะพิจารณาอะไรก็ได้จะพิจารณาทำก่อนก็ได้จิตก็ได้เวทนาก็าได้กายก็ได้หรืออันใดอันหนึ่งในสอย่าง จะพิจารณาอะไรอันไหนก็ได้เพราะความถนัดของเราถ้าเรามีความถนัดตรงไหนเราก็ยึดสติปัฏฐานนั้นมาพิจารณานี่ยแะคือวิธีการพิจารณาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมแต่ว่าถึงยังไงก็ตามถึงจะพิจารณากายก็ตามพิจารณาจิตก็ตาม พิจารณาเวทนา ก, ก็ตามพิจารณาจิตก็ตามพิจารณาธรรมก็ตามในเมื่อเราสติอยู่ในกายเห็นชัดเจนสติของเราแน่วแน่สติของเราดีเห็นกายกําหนดตรงไหนจับตุกดั้ น, น, นเหมือนกับคีมอปากคมคมยังงับตรงไห น, นอยู่ตรงนั้นไม่ขยับเขยื้อนแปลว่าสติของเราดีในเมื่อจึเมื่อสติเรา จับตัวไหนอยู่จุดนั้นตรงนั้นไม่คาดเคลื่อนเห็นอยู่ตลอดเมื่อเรามาพิจารณาทางด้านจิตต า, า, านุปัฏนาสติปัฏฐานหรือว่าธรมารม า, านุปัฏฐานจะเห็นได้ชัดแต่ถ้าว่าเราพิจารณากายก็ยังเรืนๆนหลงัลงหลงยังจับผิดจับถูกจับจั บ, จบไม่อยู่จะพิจารณาเวทนาก็ยังพอไหวแต่พิจารณาจิตกับพิจารณาธรรมนี่ สองตัวนี้จะจับไม่ได้เลยล่ะพูดไดเลยเพราะว่าขนาดกายหยาบหยาบนังพิจารณาจังตะคุบหน้าตะคุบหลังยังบังคับเอาสติบังคับจิตไม่ได้เราจะพิจารณาถึงทำมาด้วยจิตตาที่ทำมาเนี่ยไม่ได้เพราะมันอันนี้มันละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณาส่วนหยาบซะก่อนให้เห็น เป็นความเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังทํางานเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาซะก่อนจากนั้นจึงมาพิจารณาทำมานุปจนนาสติปัตฐานพิจารณาดูจิตของตนเองตัวผู้รู้ของเราขณะนี้คิดเรื่องอะไรมันปรุงไปในทางไหนมันหวันไว้ไปทางไหนเราเห็นได้ ด้วยสติด้วยปัญญาของเราด้วยสติของเราจับดูได้เลยท่านเมื่อเราพิสเห็นกายอย่างชัดเจนแล้วสติของเราแก่กล้าขึ้นมาแล้วเห็นจิตท่านจิตนึกคิดปุ่งฟุ้งไปทางไหนทีนี้เราเห็นดูดูใจของตัวเองแบบไหนดูจิตของตัวเองดูใจของตัวเองจะเห็นด้วยสติเห็นด้วยปัญญา สติปัญญาตัวนี้ไม่ใช่สติปัญญาธรรมดาเป็นสติปัญญาที่วัดแน่วแน่มากฝึกฝนระออย่างเข้มงวดขว ด, วดขันอย่างมากจากนั้นก็จัดดูดูใจของเราในหัวใจของเรามีอะไรเออมันกระปอกแปลปอกแป ล, ก, ปลกไปเลยอยงั้นเถอะเอเหมือนกับนาฬิกาเดินมันสองฝั่งเอยมันมีดีกับมีชั่วมีสุขกับมีทุกมีเศร้าหมองกับมีผ่องใส มันอยู่ในใจเนทะ่านั้นมันมีอยู่สองมันฟัดฝังเหวียงฝังเบียงฝังนี่แต่มันจะอยู่กอง ก, งกลางๆอัปยาคตาจิตจิตไม่คิดทางดีทางชั่วนะน้อยมากมันมีแต่ว่ากุศลอากุกอกุศลกุศลก็คือทางดีอากุศลก็ ค, คือทางบาปมันอยู่ในนั้นสรุปแล้วก็คือเศร้าหมองก็ผ่องใสเศร้าหมองก็คือจิตที่เป็นไปในทางชั่ว ผ่องใสคือกิจิตไปในที่เป็นที่พอใจพอใจผ่องใสมันอยู่ในนั่นตอนี้ทั้งเศร้ามองเรื่องผ่องใสเป็นที่พอใจของเราแล้วเหรอเป็นที่พอใจไหมกิเลสมันเกิดอยู่ในนั่นมันเป็นที่พอใจพอทั้งสองอย่างเนี่ยบางบางทีมืก่กลับุดโตรงไปทางค้องไข่ของเรามันหามาตรฐานหาความเที่ยงตรงไม่ได้มันไม่จัดต a n ด a r ไปงั้นได้ แอ่มันไม่มาตรฐานแต่มันยังวัดจังเวียงยังวัดยังเวียงยังวัดจังเวียงอยู่เพราะฉะนั้นท่านในพิจารณาจัดดูจุดนี้ให้ดีนะทำที่จะดูจุดนี้ท่านก็วอกนะ่ะตัวนี่แหละผู้รู้เนี่ยหละนะเป็นตัวที่จะก่อพบก่อชาติต่อไปภายภาคหน้าก่อพบก่อชาติ ก่เรื่องก่อราวก่อทุกสิ่งทุกอย่างออกไปจากจุดนี้ที่มันวัดมันเบี่ยงอยู่เนี่ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเนี่ยเศร้าหมองพองไสอเนี่ยมันออกจากจุดเนี้เพราะนั้นท่านจึงเอาธรรมะขั้นหนักธรรมะที่ว่าหนักธรรมะออันสูงสง่งหรือว่าขันธรรมะที่ขันลง นิวเคลียนิวตอนลงจุดนั้นเลยจต่ว่าธรรมะอนัตตาปฏิเสธทั้งหมดไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในเมื่อปฏิเสธอย่างนั้นแล้วใครจะเป็นคนว่าเป็นของเราใครจะมันจะได้รับยังไงเพราะมันปฏิเสธจุดนั้นแล้วนั่นหละเมื่อทำลายจุดนั้นแล้วสิ่งที่เหลืออ เหลือที่สิ่งที่เหลือเถียงที่คงทนต่อการพิสุมันมีอยู่เมื่อจะทําลายจุดนั้นคืออันนั้นคือเปลือกคือกพีด้ยวยสิ่งแปลกปลอมมันอยู่ในนั้นตอนนี้ระเบิดโยนเข้าไปที่นั่นแล้วมันแตกตึ่มลงไปพอมันแตกลงไปที่นี่นั่น่ะ ความวิปริตหลุดพน้นออกมาจากไหนออกมาจากจุดนั้นเนี่ยวันนิพพานนิพพานังปร r a m a n g s u k h ออกมาจากจุดนั้นความไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายก็ออกมาจากจุดนั้นแหละไม่ออกมาจากจุดไหนเมื่อเราปล่อยวางเสร็จแล้วสิ่งที่ทนต่อการพิสูจน์นั่นก็คือหลักธรรมะหลักความหลุดพน้นออกมาจากจุดนั้น นี่แหละอันนี้คือธรรมะขั้นสูงสุดสำหรับนักปฏิบัติของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ได้ก็เราก็ต้องล้มลุกคลุกคานมาตั้งแต่ทานสิงภาวนาสินสมาธิปัญญาจากนั้นกับพาาิจารณาร่างกายอย่างที่ว่านั่นะเอากำมาฐานกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกใจให้มีหลับใจให้มี หลักมีฐานใจไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆใจแน่วแน่จากนั้นก็มาพิจารณา ก, กายเห็นกายของตนเองจากนั้นก็พิจารณาถึงสติปัฏฐานสี่ดูอันใดอันหนึ่งจนถึงเขา้าจนถึงเข้าไปดูถึงตัวจิตตัวผู้รู้ตัวนามธรรมาตัวนั้นตัวต้วนเหตุใหญ่เรื่องใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในจุดนั้นปล่อยวางจุดนั้น ทำลายจุดนั้นหลุดพ้นจุดนั้นกิเลสอยู่ในจุดนั้นกิเลสโลภโกรดหลงไม่ได้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่ในดินฟ้าอากาศมันอยู่ในร่างกายมันอยู่ในจุดใ จ, ใจของเราดวงนั้นน่ะแต่ถ้าใจดวงนั้นมีพบมีเชื้ออยู่นั่นแหะมันจะต้องพาไปเวียนไหวตายเกิดในวัฏะสงสารลุนรุมร้อนร้อนสงูงๆต่ําๆำชัว่วชั่วดีๆไปเรื่อยนะคิดดีคิดชัว่วแต่มันวัดมันเวียนอยู่นั้น เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะเมื่อได้ยินถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ดีพวกเราก็ควรพยายามรู้แล้วว่ากิเลสทั้งหลายอยู่ในจุดนั้นทำทั้งหลายที่จะตัดกิเลสก็อยู่ในจุดนั้นเพราะนั้นเราภาวนากาหนดลมจนพิจารณาดูแล้ว ใหย้อนเข้าไปดูจุดนั้นพิจารณาไปยังไงยังไงแล้วก็ให้ย้อนไปสู่จุดนั้นถึงจะเข้าหรือไม่เข้าถึงจะถอยหรือไม่ถอยถึงจะออกหรือไม่ออกยังไงก็ตามต้องเข้าไปอยู่จุดนั้นเพราะจุดนั้นเป็นจุดเมืองใหญ่ของอวิชชาเมืองใหญ่ของพญาจิตตลาดที่ลุ่มหลงมัวเมาอยู่นั้นเพราะนั้นจ้องใช้ธรรมะเข้าไปถล่ม ธรรมะอนัตตาเนี่ยนะถล่มความยึดมั่นถือมั่นถล่รรมกิเลสความเศร้าหมองผ่องใสอยู่ในนั้นให้ออกก ร, กระจายออกไปให้แตกกระจุยกระจายออกไปให้เหลือแต่ความบริสุทธิ์อันไหนคงต่อการพิสูจน์อันนั้นแหะคือธรรมคือธรรมหรือเปลาเหมือนกับทองคําทองคําผสมกับทองเหลือง ผสมก็แร่ธาตุอื่นแต่เขาใช้สารน้ำกรดแช่ลงไปสารอื่นละลายหมดยังเหลือแต่ทองคําทองคำเนี่ยยิงเป็นทองคร้อยเปอร์เซนอีกเลยทีนี้เพราะไม่มีสิ่งแปลปลอมอยู่ในนั้นสิ่งแปลกปลอมมันหมดไปแล้วมันไม่คงทนต่อการพิสูจน์ไม่คงทนต่อสารน้ำกรดแช่ลงไป แต่ทองคำเนี่ยจึงจะเอาอะไรแชร่ลงไปก็เอะจะไม่ละลายเป็นทองคําที่บริสุทธิ์อันนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหละจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นเน่ยมันท่านคงทนต่อการพิสูจน์ทั้งหมดเมื่อกระเทาะกิเลสออกไปแล้วเนี่ยจิตว่างเราหลุดพ้นนะั่นแหละนิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง นิพพานังประมังศูนย์ยังนิพพานศูนย์ถึงที่จะรบควนให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเกิดภพเกิดชาติมันศูนย์ไปแล้วคือกิเลสราคะโทสะโมหนะที่จะทําให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายนะับศูนย์ไปแล้วยังเหลือแต่นิพพานังประมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนะเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะถึงอย่างไงยังไง ไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศินมากน้อยขอให้ข้าพเจ้าถึงมรรคผลนิพพานโดยเร็วข้าพเจ้าหมอบกายถวายชีวิตในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณนามความดีก็ขอให้ผู้ขาดพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารโดยเร็วอย่ามาเวียนไายตายเกิดนี่ถ้าเวียนไายตายเกิดก็อย่างนี้แหละอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยนะดีใจเสียใจทั้งทุกข์ทั้งโศกทั้ง อะไรต่อมิอะไรมาลุมมาตุ่มเข้ามาใครจะว่าสุขขนาดไหนก็เถอะแต่ว่าสุขแต่ข้างนอกนั่นเองแต่ส่วนลึกของใจแล้วมันไม่หาความสุขไม่ได้อันไหนคือความสุขที่แท้จริงค้นหาได้วยิตมันหาไม่เจอทั้งนั้นแหละถ้าหาความสุขที่แท้จริงแล้วแต่วความสุขที่จอมปลอมเน่ยพูดกันไปพูดกันมาอย่างนั้นแล้วใครมีความสุขแต่ส่วนลึกของใจแล้ว ค้นหาดูก็แล้วกันจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆหาความสุขแท้จริงหาที่ไหนถ้าจิตใจยังมีกิเลสอยู่มันหาความสุขไม่ได้จิตใจที่หลุดพ้นนั่นเองเป็นจิตใจที่หาความสุขแท้ที่แท้จริงได้วันนี้แต่พูดธิบายอธิขยาย ธรรมะปฏิบัติให้พวกเราได้สำเียกสำเร็แต่ถี่ยังไงเรื่องการภาวนาพยายามทำจิตให้ตร่อมเข้ามาหาตัวเองนั่นะทำจิตให้สงบนะพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยรรลโมรโมสังโคสังโคตายตายอย่างที่ได้บอกไว้เบื้องตน้นจากนั้นก็พิจารณาพิจรารณากระดูกในร่างกายของเราให้เห็นตามความเป็นจริงนะ จากนั้นก็เมื่อเห็นสติของเราดีมั่นคงไว้วก็นา น, นย้อนก็ไปฐานตัวใจตัวผู้รู้ตัวนมามธรรมอะไรท่นี้จะเห็นได้ชัดไปตามลำดับขั้นตอนการพูดการแสดงวันนี้ก็เห็นว่าสมควรเอาต่อนี้ไปนั่งภาวนาที่นี่นะ